จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ 19, ส9บเก้าศจิกายนพุทธศักราช2545หตรงกับวันนังคารขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส2บสองเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนระเป็นวันอุโบสถเป็นวันฟังธรรม ญาติโยมผู้มีความเริ่มใสมีความแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้มาสื่วัดตามเวลาที่ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก็คือทุกๆวันพระจะเป็นวันขึ้นหรือวันแรมก็ตามประมาณทุกแปดวันทุกเจ็ดวันหรือหกวันก็จะมาร่วมกัน ทำบุญสะสมบารมีบารมีเพื่อประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปก็คือความเจริญในราบยศสสรเสริญสุขก็ดีหรือความเจริญในในอายุวันสุขภล ะ, ะก็ดีก็ล้วนเกิดจากการกระทําของเราในแต่ละวันพระและวันอื่นๆถ้าเรามีโอกาสเราก็ทํา เพียงแต่ว่าวันพระนี้เราถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันที่เราจะต้องทําให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีภารกิจอย่างอื่นที่จําเป็นที่สําคัญเราก็พยายามที่จะเจียดเวลาให้มาวัดเพื่อที่จะได้มาสะสมบุญบารมีเพราะเราเชื่อในคําสอนของพพุทธเจ้าเชื่อว่า การสะสมบุญบารมีนั้นเป็นเหตุที่จะนํามาอันผลที่เราทั้งหลายปรารถนากันเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆต่อมาอีกไม่นานเราก็จะมีต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เลยปล่อยให้ที่ดินของเราว่างเปล่าอีกสิบปีอีกยี่สิบปีข้างหน้าที่ดินมันก็จะว่างเปล่าไปแบบนั้น มันจะไม่มีต้นไม้ขึ้นให้เรานอกจากไม่มีต้นไม้แล้วยังมีพวกวัชพืชต่างๆขึ้นมาสร้างความรกรุ่มลังให้กับพื้นที่ของเราซสอีกจิตใจของเราก็เปลี่ยนเหมือนกับพื้นที่ผืนหนึ่งถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาไม่ได้รับการพัฒนาด้วยการทําบุญสะสมบารมีคือปลูกสิ่งที่ดีที่งามไว้ แต่กับปล่อยให้มีวัชพืชสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจเจริญงอกงามเช่นกิเลสตัณหาทั้งหลายใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับที่ดินที่ไม่มีค่านอกจากไม่มีค่าแล้วยังสร้างปัญหาสร้างภาระสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับใจด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐผู้ได้ตรัสรู้ธรรม ได้เห็นเรื่องราวของพระไทยของพระองค์มาแล้วได้เห็นพระไทยที่กลายจากพระไทยที่เป็นปกติธรรมดาที่มีทั้งวัชพืชคือกิเลสตัณหาและมีต้นไม้น้อยใหญ่สลับกันขึ้นมาพระพุทธองค์จึงทรงทำการพัฒนาพระไทยของพระองค์ด้วยการชำระพวกวัชพืชคือกิเลสตัณหาทั้งหลายที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ แล้วก็ปลูกต้นไม้ที่มีคุณมีประโยชน์ให้เต็มพื้นที่พื้นที่ของพ่อองค์คือพระไถ่ของพ่อองค์จึงเต็มไปด้วยบุญบารมีเมื่อมีบุญบารมีเต็มอยู่ในใจแล้วผลของบุญบารมีย่อมส่งผลให้ปรากฏขึ้นมาให้มีฐานะที่ดีให้เจริญในลาบยศเสรเสรสุขเจริญด้วยอายุวนะสุขภะละ หลังที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องหลายภพหลายชาติด้วยกันจนกระทั่งในภพชาติสุดท้ายเมื่อทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทัตราชกุมารก็มีโหรได้ทำนายถ่ายทักไว้ว่าบุรุษอย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างต่อเนื่องมีอย่างมากมายผลที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนานั้นก็มีอยู่สองนัยยะด้วยกัน คือถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะเป็นพระมหาจักพัทแต่ถ้าได้ออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมนาสาสดาคือเป็นพระพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือผลที่เราทั้งหลายจะได้กันถ้าเราตั้งจิตตั้งใจพยายามสะสมบุญบารามีไว้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้ เธอม า, อาทุกๆวันพระถึงแม้ว่าจะรู้สึกลําบากยากเย็นบ้างต้องตื่นเช้าก็ยังมาเพราะเชื่อในสิ่งที่พระพเจ้าทรงสั่ง ส, สอนเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและเชื่อว่าการที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มาจากการปรารถนาโดยอย่างเดียวคือไม่ได้อยู่ที่การตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวว่าขอให้เรา เป็นพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอาหารหันต์หรือขอให้เราเป็นเป็นพระมหากษัตริย์มหาจกรพัฒนเป็นปรัชนาธิ่ปรดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นมหาเศรษฐีความปรารถนานั้นเป็นเพียงแต่เป็นการตั้งเป้าหมายไว้เท่านั้นเองแต่การที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเป้าไว้เราต้องเดินไปเราต้องมีการทำกิจกรรม เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายอ น, นั้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบบาเพ็ญบุญบารมีมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละคือการดำเนินการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนาถ้าการอธิษฐานอย่างเดียวเราสามารถนาสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันได้พวกเราทุกคนตานี้ก็จะเป็นมหาจากักรพรรดิกันไปหมดแล้ว หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นภาพอรมศาสตรดงกันไปหมดแล้วแต่เหตุที่พวกเรายังไม่ได้เป็นดังที่เราปรารถนากันก็เพราะว่าเรามีแต่ความปรารถนามีแต่จิตอธิษฐานตั้งเป้าหมายไว้แต่ไม่ได้เดินไปตามเป้าหมายนั้นอย่างสมบุติ์วันนี้ถ้าญาติโยมได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมาที่วัดและพอตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะลุกขึ้นมาก็ล้มกลับลงไปนอนต่อ แตื่นขึ้นมาไอตีก็สายโดก็ก็จะเป็นไม่ไม่ได้มาถึงที่วัดนี้ได้เพราะการตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแต่การตั้งจิตอธิษฐานนี้ก็สําคัญเพราะเราจะต้องรู้เป้าหมายว่าเราจะทําอะไรทุกๆวันนี้เราต้องรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วไม่ใช่หรือว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างคนที่มีงานมีการเขาก็รู้ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปทํางานแล้ว ตื่นขึ้นมาก็แต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปทํางานถ้าเราก็จะได้ประสบกับผลจากการกระทํางานคือถ้าเป็นคนทํางานอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดงานเวลาสิ้นเดือนก็จะได้รับเงินเดือนแล้วก็ไม่ถูกเขาไล่ออกแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีงานทําแต่พอถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกเกลียดค้า ก็เลยขอนอนต่อวันนั้นก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเขาว่าปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายถ้าเป็นเช่นนี้แล้วถ้าทําอย่างนี้บ่อยๆเขา้าคนที่เขาจ้างเราก็ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะงานการที่เขาต้องการให้เราทํานั้นมันไม่เป็นไปดังที่เขาต้องการในที่สุดเขาก็ต้องบอกให้เราไปหางานที่อื่น ท, ท, ทําเสียเถิดเพราะว่า อยู่กับเขาก็ไม่เจริญด้วยกันทั้งคู่เขาก็ไม่เจริญเราก็ไม่เจริญนี่ก็คือเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราไม่กระทาหน้าที่ของเราที่เราควรกระทากันนั่นเองดังนั้นความปรารถนาความตั้งจิตอธิษฐานนั้นจึงไม่พอเพียงเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราก็ต้องบําเพ็ญเราก็ต้องดําเนินต่อไปอย่างในวันนี้ ทุกท่านทั้งหลายก็มาบำเพ็ญบุญบารมีกันการมาวัดนี่จะสามารถทาให้เราได้สะสมบุญบารมีได้หลายอย่างหลายชนิดเกือบจะครบทั้งสิบชนิดเลยทีเดียวเช่นมาถึงก็มีการทําบุญตักบาตรถวายทานนี่ก็เป็นทานบารมีแล้วถ้าอยู่ <c oughs> ต่อมาก็มีการสมาทานศีลถ้าสมาทานศีลแปดก็จะมีนเนคขมะบารมี ในคำมากแปลว่าวการละเว้นจากห า, หาความความสุขทางกามคุณคือไม่หาความสุขจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือผลพระคือเราจะไม่หาความสุขจากภายนอกเช่นดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปกินรับประทานอาหารในยามเวลาวิการไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น หรือหาความสุขจาก <c oughs> <c oughs> การแต่งกายอาบน้ำใช้เครื่องสมอางใช้เครื่องหอมต่างๆเหล่านี้หรือนอนในที่ที่นอนที่หนาผูกที่หนาที่นิ่มที่สบายมีเครื่องผับอากาศนอนแล้วหลับได้เป็นสิบสิบชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ <c oughs> <ๆ S 1> เหล่านี้ที่ได้พูดไว้ก็คือการมาสุขแต่ถ้าเรามาวัดแล้ว เราก็บางท่านก็จะถือสีแปดหรือสีนูโบสุดก็จะละเว้นจากการรับประทานอาหารในายามวิการคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารจะไม่แต่งกายด้วยเชื่อผ้าสีฉูดฉาดจะไม่ใช้เครื่องหอมต่างๆหรือแต่งหน้าทาปากหรือหาความสุขจากดูเครื่องและเล่นเครื่องบันเทิงต่างๆเป็นต้นเพราะว่า ความสุขเหล่านี้เนี่ยเป็นความสุขที่ฉาบฉวยเป็นความสุขที่เหมือนกับความสุขที่ได้จากยาเสพติดยาเสพติดเวลาที่เสพเข้าไปก็มีความสุขแต่เมื่อหม ด, หมดลดฤทธิ์ของยาเสพติดแล้วก็เกิดความอยากที่จะต้องเสพเลยกลายเป็นเหมือนกับปลาที่ติดติดอยู่ที่ปลายเบ็ดความสุขการมาสุขนี้ก็เป็นเหมือนกับเหยื่อที่อยู่ติดอยู่ปลายเบ็ดเมื่อปลาผู้ไม่ฉลาด ไปผูกเยื่ออนั้นเข้าก็จะต้องถูกตะขอของเบ็ดนั้นเกี่ยวติดไว้ที่คอฉันใดผู้ใดที่ยังมีความยินดีมีความ <c oughs> ติดพันอยู่กับกามคุณห้าคือความคือกามาสุขแล้วก็จะต้องกลายเป็นเหมือนกับปลาที่ติดกับเบ็ดนั้นจะต้องแสวงหาการมาสุขอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วถ้าวันไหน ไม่มีโอไม่ได้สัมผัสกับกามมาสุขก็จะเกิดความรู้สึกกังวลกวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเบื่อเกิดความเซ็งขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าใจไปติดอยู่กับกามมาสุขแล้วแต่คนที่ฉลาดนั้นรู้ว่ากามมาสุขนี้เปรียบเหมือนกับสิ่งเสกติดจึงพยายามต่อสู้พยายามที่จะละด้วยการสมาทานสิงแปดถ้าอยู่ในวัดได้ก็จะอยู่ในวัดคืนนึงก็ยังดี เพราะว่าถ้ากลับไปที่บ้านแล้วจะไปเจอของลึกของล่อใจยั่วใจมากเพราะคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้ถือศีลอุโบสถถือศีลแปดเหมือนเราเขาก็จะกินอาหารในยามเวลาวิการเวลาเราได้กินอาหารที่เขารับประทานเราก็จะเกิดความรู้สึกหิวเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทําให้เราไม่สามารถรักษาศีลข้อหกไปได้หรือถ้าเห็นเขาเปิดโทรทัศน์ดูละครดูหนัง เราก็อาจจะอดใจห้าม <c oughs> <c oughs> ใจเราไม่ได้ก็อาจจะมีการต่อรองว่าวันนี้เอาแค่ศินห้าก็พอศินแปคงจะไม่ไหวแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามาอยู่ที่วัดแล้วก็จะมีโอกาสเพราะว่าที่วัด น, นี้จะอยู่กับคนที่เขาไม่กินข้าวเย็นกันเขาไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูหนังกันมีแต่เข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งทําสมาธิเราก็จะได้ทําไปกับเขาด้วย อย่างนี้เราก็จะได้พบกับความสุขอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจเรียกว่าสันติสุขซึ่งเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขของกามคุณเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่มีโทษตามมาเป็นความสุขที่เราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกเรามีใจของเราเรามีที่สงบเราทาใจของเราให้สงบ เราก็มีความสุขแล้วนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกต่างๆเช่นรูปเสียงกินรสผดสะพ้ะทั้งหลายนั่นเองนี่แหละคือคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบและได้สวยได้เสกอยู่ตลอดเวลาตลอดอนันตการเพราะความสุขนี้อยู่กับใจ และใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อเมื่อมีความสุขนี้อยู่ในใจแล้วก็จะเป็นความสุขไปตลอดดังในในคุณของพระนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่านิบานังปรมังสุขขังนิพพานนี้เป็นความสุขอันยิ่งยอดก็นเื่อหละก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบสงัดปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากกามตตตัณหาทั้งหลายนั่นเองดังนั้น ผู้ที่จะจลาดจึงพยายามที่จะเจริญบรารมีข้อนี้คือเนคขัมบะบรารมีด้วยการสมาทานศีนุโบสดอยู่วัดอยู่วาหรือไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาทางที่มีความสงบสงัดวิเวกและในการเจริญบรารมีทั้งทานก็ดีทั้งศีก็ดีหรือเนคขัมมะบารมีก็ดีก็ต้องมีบรารมีอย่างอื่นช่วยสนับสนุนไปด้วย ก็คือจะต้องมีขันติบารมีความอดทนจะต้องมีวิริยะบารมีเพราะว่าคนเราจะต้องขยันทําสิ่งเหล่านี้ขยันมาวัดขยันรักษาศีลขยันทําบุญทําทานแล้วก็ต้องอดทนเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นของง่ายการทําความดีนี่เป็นการต่อสู้กับความฝ่ายต่ําที่มีอยู่ในใจของเรา เวลาเราจะเสียเงินทําบุญสักครั้งนี้ใจมันจะต่อต้านกิเลสมันจะต่อต้านบอกว่าเก็บไหวไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ไม่ดีกว่าเรยหรือเอาไว้คืนนี้ไปเที่ยวลอยกระทงไม่ดีกว่าเรยเนี่ยกว่าจะต่อสู้กับความรู้สึกอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีความอดทนจริงๆก็จะสู้ไม่ได้แต่ถ้าคบ ม, มีความแน่วแน่คือมีอธิษฐานบารมีคือได้ตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วว่า วันนี้ยังไงยังไงก็จะต้องมาทำบุญที่วัดให้ได้จะเสียเงินเสียทองมากน้อยแค่ไหนก็ขอยอมเสียยอมเสียเงินเพื่อบุญบารมีมากกว่าที่จะยอมเสียเงินเพื่อกามาสุขเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะมาวัดตอนเช้าหรือเราจะไปเที่ยวในคืนนี้แต่ถ้าใจเรามีความแน่วแน่ต่อการสะสมบุญบารมีได้ตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าชาตินี้เกิดมานี้ ถ้ามีโอกาสมากน้อยเท่าไหร่ก็จะขอทําขอสะสมแต่บุญบารมีอยู่ร่ำไปถ้ามีความตั้งใจใจอย่างนี้แล้วก็ถือว่ามีอธิษฐานบารมีเมื่อมีอธิษฐานบารมีแล้วอธิษฐานบารมีนี้จะเป็นเครื่องผลักดันให้เราได้กระทําในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้โดยอาศัยสัจจะบารมีเป็นตัวควบคุมเอง ลำดับหนึ่งสัจจะบา ร, รมีก็คือความจริงใจเมื่อเราได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วต่อให้อะไรจะมาเกิดขึ้นถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆแล้วคือถ้าไม่ตายรือไม่เจ็บไายได้ป่วยก็จะต้องทำในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้นี่ก็คือสัจจะบา ร, รมีถ้าเรามีทั้งสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมี แล้วก็มีขันติบา ร, รมีแล้วสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่เราต้องการจะทำเราก็จะสามารถทำได้อย่างในวันนี้เราก็ได้มาทำทานบา ร, รมีทำทำศีลบา ร, รมีและทาเนคขมภะบา ร, รมีรวมไปถึงได้สะ ส, สมเบตาบา ร, รมีไปด้วย พรการที่เราจะ ท, ทําบุญทำทานนั้นต้องเกิดออกมาจากจิตที่มีความปรารถนาดีความปรารถนาดีของจิตนี่เราเรียกว่าเมตตาคือปรารถนาความสุขให้กับผู้อื่นไม่ปรารถนาที่จะสร้างความเบียดเบียนให้กับผู้อื่นไม่ปรารถนาที่จะอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรกับผู้อื่นนี่คือเมตตาบารมีเวลาเราทําทานรักษาศีลเราก็เท่ากับเราได้สะสม สร้างเมตตาบารมีควบคู่ไปด้วยแล้วเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมก็เท่ากับเราได้เสริมปัญญาบารมีเวลาเราฟังธรรมเราก็จะได้ฟังเรื่องราวที่มีคุณมีประโยชน์เป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาความรู้ที่สอนเกี่ยวกับเหตุและผลในตัวของเราเองคือใจของเรานั้น <c oughs> เป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลคือเป็นเหตุก็คือเป็นผู้กระทา กระทำทั้งดีและชั่วและเมื่อกระทำไปแล้วก็เป็นผู้รับผลของการกระทำความดีและชั่วนั้นถ้าทำความดีก็จะมีความสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าทำความชั่วก็จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้หรือถ้าเราเคยฟังมาแล้วถ้าเราไม่ฟังบ่อยๆเข้า ทิ้งไปสักพักหนึ่งมันก็จะลืมเพราะเวลาเราอยู่ในโลกนี้เราจะถูกกระแสของโลกซึ่งเป็นกระแสกระแสของอวิชชาโมหะความมืดบอดความหลงคอยเกี่ยกล่อนให้เราลืมถึงบาปบุญคุณโทษถึงนรกถึงสวรรค์ให้เราพยายามสนองตอบกิเลสตัณหาของเราโดยไม่กลัวบาปกลัวกลัวนรกกันดังที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้ในโลกนี้ คนเรานี่ทำผิดศีลผิดธรรมกันยังว่าเล่นไม่เคยกลัวบาปกรรมเลยเพราะถูกอวิชชาความไม่รู้จริงโมหะความหลงความมืดบอดกลอมจิตใจหลอกว่าบุญกรรมไม่มีตายไปแล้วศูนยอย่างเช่นร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าที้ฐานกลายเป็นดินไปแล้วจะมีใครมารับผลของวิบากคือผลของบาปหรือผลของบุญ นี่เป็นกระแสของความหลงความไม่รู้จริงเพราะว่าไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเราชีวิตของเรานั้นมีสองส่วนด้วยกันคือมีทั้งร่างกายและมีใจมีจิตใจร่างกายนี้เราเห็นกันอยู่เพราะเป็นรูปธรรมเรารู้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายและเมื่อเอาไปเผาก็กลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปแต่เราไม่เห็นจิตใจ จิตใจนี้เป็นนามธรรมาเหมือนกับกระแสวิทยุกระแสวิทยุโทรทัศน์ซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่ที่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเรานําเอาวิทยุหรือเอาโทรทัศน์มาเปิดเราก็จะสามารถรับภาพรับเสียงได้แต่ตาของเราไม่สามารถมองเห็นกระแสวิทยุโทรทัศน์นี้ได้ฉันใดตาของเราก็ไม่สามารถมองเห็นจิตใจของเราได้ เราจึงไม่รู้ว่าเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจนี้ยังต้องไปเกิดอีกไปเกิดเป็นอะไรก็สุดแท้แต่บุญกรรมที่เราทำไว้มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกเท่า น, นั้นที่รู้สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติธรรมทรงชำระใจที่มืดบอดให้สว่างด้วยด้วยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อมีแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาแล้ว ก็จะเห็นในสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นก็เห็นจิตวิญญาณเห็นดวงจิตดวงใจของเรารู้ว่าจิตวิญญาณนี้เป็นของไม่ตายเมื่อออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่จะไปสูงไปต่ำไปสุขคติหรือไปทุกขคติก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทําไว้ในปัจจุบันนี้และในอดีตชาติก่อนๆที่ยั ง, ไ ม, ยง ไ, มไม่ได้แสดงผลขึ้นมา มันก็สะสมก่อนไว้รอเวลาเมื่อมีโอกาสก็จะแสะดงผลขึ้นมาเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ไว้ต้นไม้บางต้นบางปีก็ไม่ออกดอกผลแต่อาจจะรออีกปีสองปีถึงค่อยออกดอกผลมากรรมเกา่าหรือบุญเกา่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติ่อนก่อนก็เป็นแบบนั้นอาจจะยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลก็เลยรอโอกาสแสดงผลในภพต่อไปเวลาที่เราตาย จากร่างนี้ไปแล้วดวงวิญญาณของเราก็จะต้องออกจากร่างนี้แล้วก็ต้องถูกวิบากกรรมคือบุญหรือกรรมผลานันให้ไปเกิด อ, อีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกคือพระอรัฏตาสาวกเท่านั้นที่จะเห็นเรื่องของจิตใจเรื่องของวิญญาณได้เมื่อเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็นามาสั่งสอนพวกเรา ถ้าพวกเราเป็นคนฉลาดฟังแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะปฏิเสธเพราะว่าคนเราถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นอะไรเราไม่ควรที่จะปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่ต้องไปรับทั้งหมดเลยคือไม่ต้องไปเชื่อแบบแบบงมงายไปเลยเพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้เชื่อแบบงมงายสอนให้เชื่อเพื่อนำไปพิสูจน์ คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนพวกเรานี้พระพุทธเจ้าบอกว่านำเอาไปปฏิบัติเอาไปทดลองสิแล้วจะเห็นผลเหมือนธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคยานี้พระพุทธเจ้าได้ทดลองแล้วแล้วก็ได้ได้หายจากโรคไปแล้วทีนี้ท่านก็เลยนํามาให้พวกเราลองทดลองดูพวกเราอย่าไปปฏิเสธเพราะถ้าเราปฏิเสธเราก็จะไม่รู้ว่ายานั้น ดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าเรารับมาแล้วเรามาทดลองดูถ้าไม่ดีไม่หายเราก็เราก็เราก็ไม่ขาดทุนอะไรเราก็รู้ว่าออยานี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้ายานี้กินเข้าไปแล้วทำให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้เราก็ได้กำไรเพราะว่าเราก็จะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ใ น, นจิตใจของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นจิตใจของเราส่วนใหญ่มกักจะมีแต่ความทุกข์กัน มีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความวุ่นวายใจความสุขนี้วันวั น, วนหนึ่งแทบจะมีไม่ค่อยมากเลยมีนิดมีหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ถูกความทุกข์ความกังวลใจมาคอยครอบงำอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือโรคของใจและโรคของใจนี้จะได้รับการรักษาเยียวยาให้หายให้หายขาดได้ก็ด้วยธรรมโอษสถของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนนั่นเองเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุและมีผลผู้ใดนําไปปฏิบัติแล้วย่อมนํามาซึ่งความสุขความเจริญที่ปรารถนากันเราจึงได้เกิดความเชื่อขึ้นมาและเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเมื่อเรานําสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติแล้วอย่างเช่นวันนี้เราก็มาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมกัน ใจิตใจของเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกสงบมีความเย็นมีความสุขมีปิติขึ้นมามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถของแต่ละท่านที่จะสามารถนำเอาเข้าไปสู่ใ จ, ใจิตใจท่านนำเข้าไปได้มากก็เหมือนกินยามากกินยามากโรค ก, ก็จะหายเร็วถ้ากินยาน้อยโรคก็จะหายน้อยถ้านำทำขกาไปปฏิบัติได้มากก็ความทุกข์ก็จะหายไปมาก ถ้านำเข้าไปน้อยความทุกข์ก็จะหายไปน้อยดังนั้นเราจึงต้องพยายามนำเอาธรรมะของพระเจ้ามาเข้ามาในใจของเราเอามาชำระความโลภความอยากกิเลสตัณหาทั้งหลายเวลาที่เราอยากจะ <c oughs> ไปเที่ยวเราก็ต้องเอาชนะบอกว่าการไปเที่ยวนี้มีแต่การสูญเสียไม่มีได้กำไรเลยได้ความสุขก็ชั่วประเดียวประดาวเปรียบเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ถ้าเราไม่ไปพูกเบ็ดนะ่ไม่ไม่ไปพุกเหยื่อนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดอยู่กับเบ็ดใจของเราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวาย น, ะนี่แหละคือการนาเอาธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติเวลาเราจะพูดโกหกเราก็ต้องบอกว่าพูดโกหกนี่มันไม่ดีมันเป็นบาปมันเป็นโทษสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องฝืนไม่ต้องพูดความถ้าพูดความจริงไม่ได้ ก็ไม่ต้องพูดเฉยๆยุนิ่งอยู่เฉยๆก็ได้ไม่มีใครก็บังคับให้เราพูดถ้าเราไม่พูดสัก อ, อย่างใครก็จะทํำลายเราได้ดูคนบ่ายมีใครก็ไปบังคับให้คนบ่ายพูดมากหรือปล่าไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าเรายังมีกิเลสอยู่ในใจอยู่เรากลัวว่าถ้าเราไม่พูดแล้วคนที่เขาคนที่เขาอยากจะฟังเขาอาจจะโกรธเราเขาอาจจะไม่พอใจเราแล้วเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเรา เราต้องมีความแน่วแ น, แน่มั่นคงกับความดีเราถ้าเราปฏิบัติความดีแล้วไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับเรา mm hmm. ก็ปล่อยให้เขาไปคบกับคนอื่นเถิดคนแบบนี้ก็ไม่เหมาะกับที่จะมาคบค้าสมาคมกับเราพ mm hmm. ระพุทธเจ้าบอกว่าให้เลือกคบคนดีอย่าไปคบคนชั่วถ้าเป็นคนดีแล้วเขาจะไม่รังเกียจเราถ้าเรานิ่งเฉยถ้าเราไม่พูดอะไรแต่เขากลับจะรังเกียจเราถ้าก็ถ้าเราไปโกหกเขา เมื่อทีหลังเขามารู้เข้าว่าเราไปโกโหกเขาแล้ ว, ลวเขาก็จะไม่เข้ากับเราอยู่นี่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละก็คือวิธีที่เราจะต้องนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเข้าสู่ใจของเราเมื่อมาเข้าสู่ใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีคุณงามความดีปลู้ฝงรักษาทำให้จิตใจของเรามีความแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับสภาวะธรรมต่าง กับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเรามีปัญญาเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปแม้แต่ร่างกายของเราในที่สุดมันก็ต้องสลายเราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับอะไรหรือเวลาคนอื่นเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นจะตายอย่างไรถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปช่วยเหลือได้เราก็ไม่ต้องไปว้าวุ่นขุ่นมัวไปวุ่นวายใจ เพราเรามีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็ทําให้ใจของเรามีอุเบกขานี่ก็เป็นบาลมีอันหนึ่งเมื่อเรามีอุเบกขาบารมีแล้วเราใช้อุเบกขาบารมีนี้ไปเรื่อยๆต่อไปใจของเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปทําไปแก้ทุกสิ่งทุกอย่าง อันไหนเราแก้ได้เราทําได้เราก็ทําไปอันไหนเราแก้ไม่ได้เราทําไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างคนที่เรารักเราชอบเขาไม่กระทําตัวที่เราต้องการเช่นเขากินเหล้าเมา ย, ยาเล่นการพ น, นันเที่ยวผู้หญิงเราก็พยายามขอร้องเขาบอกเขาสอนเขาว่าทําไปแล้วไม่ดีนะแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาอยากจะทําก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาเพราะเรามีปัญญาเพราะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้นั่นเองเป็นเรื่องของบุญของกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมอันนั้นไม่ช้ากเ็เร็วนี่แหละก็คือเรื่องของบารมีทั้งสิบที่พวกเราได้สะสมกันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวทุกครั้งที่เรามาวัดนี่เราได้สะสมบุญบารมี และบุญบรารมีนี้ถ้าสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยเจริญโตบโตไปเหมือนกับต้นไม้และไม่ช้าก็เร็วก็จะนํามาผลที่เราทั้งหลายปรารถนากันดังนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนจงมีความแน่วแน่มั่นคงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงทุกบททุกบา ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่ไม่มีใครจะพิสูจน์ให้กับเราได้ นอกจากนอกจากตัวของเราเองทำเป็นสันทิฏฐิโกนี่ะก็เป็นอาการลิโกโด้วยก็คือไม่ขึ้นกับการกับเวลาทำนี้ไม่ได้สูญไม่ได้เสื่อมไปด้วยคุณภาพในสมัยที่ พ, พระพุทธเจ้าทรง ม, มีพระชนเทียบอยู่มีอนุภาพอย่างไรในสมัยนี้ก็มีอนุภาพอย่างนั้นไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาสามารถยังประโยชน์อันดีอันประเสริฐให้กับ